คำว่าสติกับสมาธินี้มีความหมายต่างกันแต่ภาษาไทยเราจะใช้สลับกันใช้แทนกันคือเราจะมักใช้คำสมาธิแทนสติเช่นที่เราพูดว่าไม่มีสมาธิในการอ่านหนังสือไม่มีสมาธิในการเรียนการทำงาน แต่ความจริงคนความจริงมันต้องว่าสติไม่มีสติในการเรียนไม่มีสติในการทำงานเพราะว่าสมาธินี้ความความหมายที่แท้จริงแปลว่าความสงบออความสงบนี้คือจิตเข้าไปข้างในจิตไม่รับรู้อะไรจิตนิ่งสงบอยู่ในอุเบกขา แต่สตินี้คือการเราเลึกรู้อยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เช่นเรากำลังอ่านหนังสือเราก็ต้องมีสติในการอ่านหนังสือใจไม่ไปคิดเรื่องอื่นการมีสตินี้หมายถึงใจอยู่กับเรื่องเดียวเช่นกำลังอ่านหนังสือก็ให้ถ้ามีสติก็จะอยู่กับการอ่านหนังสือเพียงอย่างเดียวไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ หรือตอนนี้กําลังฟังธรรมอยู่ถ้ามีสติในการฟังธรรมก็จะไม่ไปคิดเรื่องอื่นจะตั้งใจฟังความตั้งใจนี่แหละคือสติตั้งใจทํางานตั้งใจอ่านหนังสือตั้งใจทําอะไรต่างๆเรียกว่าสติใจไม่ไปคิดเรื่องอื่นถ้าไปคิดเรื่องอื่นก็เรียกว่าไม่มีสติเช่นเรากําลัง อ่านหนังสืออยู่แต่เราไปคิดถึงคนนั้นคนนี้แล้วพออ่านหนังสือก็เลยอ่านไม่เข้าใจไม่รู้ว่าอ่านอะไรไปเรียกว่าไม่มีสติฉะนั้นเวลาเรามาฟังธรรมเราอาจจะงงพอพูดถึงคำว่าสติพูดถึงสมาธิเราก็จะไม่นึกภาพไม่ออกความจริงสตินี้เป็นต้นเหตุของสมาธิ การจะมีสมาธิคือการที่จะทำใจให้สงบไม่คิดเรื่องอะไรได้นี่ต้องมีสติแล้วสติจะมีได้ก็ต้องมีกรรมฐานคือมีอารมณ์ที่จะผูกใจไว้ไม่ให้ไปลอยไปลอยมาใจนี้เปียบเหมือนกับ เ, เรือถ้าไม่มีท้าไว้คอยผูกเรือไว้ เรือก็จะไหลไปตามกระแสน้ำถ้าอยากจะให้เรือจอดอยู่กับท่าเรือเร า, าก็ต้องเอาเชือกมัดเรือไว้กับท่าเรือเรือก็จะไม่ไหลไปตามกระแสน้ำใจของเราถ้าไม่มีสติมันจะไหลไปกับกระแสของความคิดคิดเรื่องนั้นแล้วก็มาคิดเรื่องนี้คิดเรื่องนี้แล้วก็ไปคิดเรื่องโ น, น, น้นคิดอยู่เรื่อย เรียว่าใจไม่มีสติใจลอยถ้ามีสติจะต้องอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับร่างกายเช่นเรากําลังทําอะไรอยู่เราจะอยู่กับการทํางานเดินนนั้เราก็จะอยู่กับการเดินเรียกว่ามีสติถ้าเผลอสติก็อาจจะเดินไปเหยียบสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือเดินไปชนสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้สังเกตไหมบางที เดินไปแต่ไปเผลอไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวก็ไปชนอะไรเข้านี่ก็เรียกว่าไม่มีสติแต่ทางภาษาไทยเราต้องจะใช้สมาธิแทนสติไม่ไมีไม่มีสมาธิในการทํางานไม่มีสมาธิในการอ่านหนังสืออันนี้ไม่ใช่คำ ว, ว่าสมาธินี้แปลว่าความสงบ จะเข้าสมาธิด้านนี้ต้องนั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกหรือบริกรรมท่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธนี้เป็นกรรมฐานเป็นเหมือนท่าเรือที่จะดึงใจผูกใจไว้ไม่ให้ลอยไปตามกับความคิดต่างๆถ้าเรานั่งแล้วเราท่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธเราจะไปคิดถึง เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ถ้าเราไปคิดค term, เราก็จะไม่ได้พุทโธเพราะเราทำสองอย่างพร้อมกันไม่ได้เราพุทโธแล้วก็ไปคิดด้วยไม่ไดม้มันต้องทำสลับกันอย่างใดอย่างหนึ่งพุทโธพุทโธไปหรือคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปถ้าคิดมันก็จะไม่สงบมันก็จะไม่เป็นสมาธิถ้าไม่คิดให้อยู่กับพุทโธพุทโธไป หรืออยู่กับลมหายใจไปอันนี้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้พอใจสงบนิ่งไม่คิดอะไรใจเบาใจสบายปล่อยวางร่างกายได้ร่างกายเจ็บหรือไม่หรือเป็นอะไรก็ไม่เดือดร้อนบางทีร่างกายก็หายไปจากความรู้สึกของใจเลยใจเหลืออยู่ตามลำพัง เรียกว่าสักแต่ว่ารู้ตอนนั้นใจก็จะมีความสุขมากใจจะเบาจะเย็นจะสบายเหมือนยกภูเขาออกจาก อ, อกเนี่ยเรื่องราวต่างๆที่เราคิดกันเนี่ยเป็นเรื่องหนัก อ, อกหนักใจคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ทำให้เรารู้สึกหนัก อ, อกหนักใจขึ้นมาพอเราหยุดคิดได้ เหมือนยกภูเขาออกเอาออกจากใจไปยกภูเขาออกจาก อ, อกใจก็เบาเยน็นสบายมีความสุขนี่แหละสมาธิาการจะมีสมาธิได้ต้องมีสติคอยกากับใจไม่ให้คิดาการจะมีสติได้ต้องมีกรรมฐานมีที่ดึงดึงใจไว้หรหรือว่า มีสิ่งที่ผลิตสติขึ้นมาถ้าเราบริกรรมพุทโธเราก็เรียกว่าพุทธานุสติการมีสติอยู่กับการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเช่นพุทโธนี้ก็คือชื่อของพระพุทธเจ้าเราพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปใจเราก็จะมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับปัจจุบันอยู่กับพุทโธ และถ้าอยู่กับพุโทโธมันก็จะไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ไปคิดเรื่องที่เป็นอดีตผ่านมาแล้วไม่ไปคิดถึงเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเวลาคิดอดีตแล้ว เ, เรียกว่าไปอดีตไปหาอดีตเวลาคิดถึงอนาคตเรียกว่าเราเราไปอนาคตกันถ้าใจเราไปอดีตไปอนาคตไม่อยู่ในปัจจุบันใจก็จะไม่สงบไม่เข้าสู่สมาธิได้ ทำไมเราต้องนั่งสมาธิกันทำไมเราต้องมีมีสมาธิกันเพราะสมาธินี่แหละเป็นแหล่งของความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเหนือกว่าความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆทุกวันนี้พวกเราไปหาความสุขจากราบยศสรรเสริญไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสกัน แต่ความสุขเหล่านี้มันเป็นความสุขที่มีความทุกข์ซ่อนอยู่เพราะว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่จีรังถาวรเวลาได้มาก็ดีใจมีความสุขแต่เวลาหมดไปก็เสียใจทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันต้องหมดได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วมันต้องหมดไม่มีอะไรยกเว้น แม้แต่ร่างกายของเราก็เหมือนกันร่างกายของเราตอนนี้กำลังใช้ได้ใช้งานได้ดีอยู่ใช้ให้เราใช้ให้ไปหาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้แต่วันหนึ่งข้างหน้ามันจะแก่ลงไปมันจะเจ็บลงไปแล้วมันก็จะตายเนี่ตอนนั้นเราจะไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆให้กับเราได้แต่ถ้าเรามา หัดนั่งสมาธิกันทำใจให้สงบได้เราก็จะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราจะได้ผ่านทางร่างกายแล้วเวลาร่างกายเป็นอะไรไปร่างกายไม่สบายร่างกายแก่หรือร่างกายตายเราจะไม่เดือดร้อนเรายังจะมีความสุขได้เพราะเราเข้าสมาธิได้ พอเราต้องการความสุขเราก็หลับตาพุทโธพุทโธไปหรือดูลมหายใจเข้าออกไปแล้วเดี๋ยวเดียวไม่นานห้านาทีสิบนาทีใจก็นิ่งสงบเย็นสบายมีความสุขนี่แหละถึงที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาฝึกกันมาหัดกันมาทำกันเพราะเป็นวิธีหาความสุขที่ ปลอดภัยปลอดจากความทุกข์เพราะความสุขแบบนี้เราสามารถหาได้ตลอดเวลาทุกแห่งทุกคนไม่ว่าจะมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายไม่ว่าร่างกายจะแก่หรือไม่แก่ร่างกายจะเจ็บหรือไม่เจ็บร่างกายจะตายหรือไม่ตายใจของเรานี้สามารถหาความสุขภายในใจได้แต่ถ้าเรามาพึ่งความสุขผ่านทางร่างกาย พอร่างกายเป็นอะไรไปเราก็ไม่สามารถหาความสุขได้เวลาแก่จะไปหาความสุขเหมือนตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวก็ทำไม่ได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทำไม่ได้เวลาตายก็ทำไม่ได้ น, นี่คือความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบเป็นความสุขที่ถาวร เป็นความสุขที่เราหาได้ทุกเวลาทุกแห่งทุกคนไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายมีเงินหรือไม่มีเงินไม่ไม่เดือดร้อนไม่มีเงินก็มีความสุขได้ไม่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะไม่ไปบวชนะพระพุทธเจ้านี้เคยมีความสุขแบบพระเจ้าแผ่นดินท่านเป็นเจ้าพระราชโอรส เป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินพอสร้างปราสาทให้อยู่ต้องสามหลังด้วยกันเรียวกว่าปราสาทสามฤดูอหน้าหนาวก็ไปอยู่ปราสาทที่ป้องกันความหนาวหน้าร้อนก็ไปอยู่ปราสาทที่ให้ความเย็นหน้าฝนก็ไปอยู่ปราสาทที่ไม่มีน้ําท่วมเออันนี้อยู่อย่างสุขอย่างสบายแต่มันก็อยู่ชั่วขณะที่ร่างกายแข็งแรง พอร่างกายเข้าสู่ความแก่ความเจ็บความตายมันจะไม่สามารถมีความสุขได้พระพุทธเจ้าหลังจากที่เห็นว่าร่างกายของพระองค์จะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายพระองค์ก็เลยทรงวิตกกังวลกับอนาคตของพระองค์พอดีทรงได้เห็นนักบวชก็ได้ถามว่าพวกนักบวชนี้เขาทำอะไรกัน ก็ได้ทราบว่านักบวชนี้เขาเป็นผู้ไปแสวงหาความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขแบบที่ไม่ต้องพึ่งร่างกายความสุขที่ไม่ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้เงินทองไม่ต้องใช้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขตรงนี้เขาไปหาความสุขจากการทำใจให้สงบ คือการทำใจให้เป็นสมาธินั่งนั่งสมาธิทำใจให้สงบสเมื่อพระองค์ได้ยินก็ทรงมีความดีใจดีว่าต่อไปถ้าร่างกายเป็นอะไรก็ยังสามารถมีความสุขได้ไม่ต้องทุกข์กับความแก่ไม่ต้องทุกข์ ก, ก, กับความเจ็บไม่ต้องทุกข์กับความตายออพระองค์ก็เลยทรงตัดสินใจจะต้องไปหา ความสุขแบบนี้ดูก็เลยออกบวชหนีไปเพราะบอกใครไม่ได้บอกก็จะไม่มีใครให้ไปจะมีแต่คนห้ามเพราะจะคิดว่าท่านบ้ามีใครบ้างเป็นมหาเศรษฐีแล้วจะยกจะทิ้งสมบัติไว้แล้วก็ไปไปบวชไปอยู่ในป่าอยู่แบบขอทานนักบวชสมัยก่อนนั้นไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้นักบวชบรรดาศักดิ์ พระสมัยนี้เป็นคนเคารพนับถือมีสร้างกุฏิถวายข้าวของอะไรเยอะแยะไปหมดนะแต่สมัยพระพุทธเจ้าบวชนี้เป็นพวกดูสีชีเปลยเนะ่ยไปอยู่ในป่าแม้แต่เครื่องนุ่งหม่มคือจีวรยังต้องไปเก็บผ้าที่ห่อศพมาทำเป็นผ้าจีวรเรียกว่าผ้าบางสกุลเนังผ้าบางสกุล น, นี่คือผ้าหอ่อศพ ผ้าที่ทิ้งไว้ในป่าช้าที่เราแปลว่าผ้าป่าเวลาเราทอดผ้าป่าเราจะกล่าวคำถวายผ้าป่าถวายผ้าบังสุกุลแต่ความจริงมันเป็นเป็นผ้าที่พระสมัยพุทธเจ้านี้หามาใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มเพราะไม่มีใครถวายผ้าจีวรเหมือนสมัยนี้พ้าสมัยพุทธเจ้านี้ต้องไปเก็บเศษผ้า สมัยก่อนเขาไม่เผาศพเขาไม่ฝังศพกันเขาเอาผ้ามัดๆแล้วก็ไปทิ้งไว้ในป่าชาแล้วปล่อยให้ร่างกายมันเน่าเปื่อยไปพอร่างกายเน่าเปื่อยไปผ้ามันก็ยังดีอยู่พวกนักบวชที่ต้องการผ้าก็ไปเก็บผ้าห่อศพนี่แหละมาตัดมาเย็บเป็นจีวร อ, อีกทีมาซักมาย้อมด้วยแก่นแก่นไม้ ที่เรียกว่าผ้ากาสาวาพัเนี่ยเป็นผ้าที่ย้อมด้วยน้ําของแก่นไม้เอาแก่นไม้นี่มาต้มมันจะออกสีเหลืองๆ อ, อ่อนๆแล้วก็อาผ้านี้ไปซักน้ําพักซักน้ําที่ต้มอยู่เนี่ยสมัยก่อนไม่มีผงซักฟอกไม่มีอะไรเหมือนสมัยนี้ไม่มีเครื่องซักผ้าก็เลยเอาศัยการต้มน้ำด้วยเอาแก่นไม้เข้าไป เป็นเหมือนผงซักควอกดับกลิ่นแล้วก็พอน้ำเดือดก็ตักน้ำใส่แยกออกมาแล้วก็เอาผ้าเข้าไปซักนี่คือการอยู่ของพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลดังนั้นถ้าบอกคนอื่นว่าจะไปเป็นนักบวชเจคนในวั ง, งก็คงจะหาว่าเพี้ยนนะหาว่าบ้านะคงจะต้องกัก ไม่ให้ไปดนัต้องไปแบบเงียบเงียบไม่บอกใครไปในยามดึกยามราตรีพอดีเป็นวันที่ได้ข่าวว่าภรรยาคลอดลูกออกมาพระพุทธเจ้าก็เลยส่งพูดว่าบ่วงพอได้ข่าวว่าได้ลูกท่านก็เลยพูดว่าบ่วงท่านภาษาบาลีเรียกว่าลาหุนลาหุนแปลว่าบ่วงบ่วงที่จะ รัตัวเพราะพระพุทธเจ้าไม่ให้ไปบวชนั่นเองพระพุทธเจ้าเลยไม่ไปดูลูกไม่ไปลาลูกไม่ไปลาเมียหนีไปเลยในคืนนั้นมีมหาเล็กคนหนึ่งตามไปเอาม้ากลับมานั่งม้าไปสสุดเขตชายแดนของของของประเทศท่านพอพ้นชายแดนท่านก็ลงเดิน แล้วก็ให้มหาแล้วก็มากลับคืนไปไปแล้วก็ไม่บอกใครว่าไปที่ไหนอยู่ที่ไหนอันนี้นี่คือความเด็ดเดี่ยวความปรารถนาอันแรงกล้าของพระพุทธเจ้าที่ต้องการที่จะหนีหรือหลดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตาย หลังจากไปศึกษาไปปฏิบัติไปลองผิดลองถูกอยู่หกปีก็ได้ค้นพบวิธีที่จะทำให้ใจสงบได้ตลอดเวลามีความสุขตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องใช้อะไรไม่ต้องใช้เงินทองไม่ต้องใช้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องใช้ร่างกายมีความสุขตลอดเวลา เพียงแต่ทําใจให้นิ่งให้สงบงระงับความโลภความอยากต่างๆเท่านั้นเองพระองค์ทรงค้นพบว่าสิ่งที่ทําให้ใจเราไม่สุขกันก็คือความโลภความอยากนี่เองเวลาใจโลภแล้วใจจะร้อนใจจะหิวใจจะกะวลกวังวลกระสับกระส่ายจะงุดหงิดดําคาญใจพอระงับความโลภความอยากได้ใจสงบ ความอารมณ์ที่ไม่ดีต่างๆก็สงบตัวลงหายไปพระองค์ก็เลยทรงกําจัดความอยากต่างๆด้วยการใช้สติด้วยการใช้ปัญญาสติก็คือพุทโธพุทโธปัญญาก็คือความจริงที่เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นความจริงมันไม่มันไม่เป็นความสุขอย่างเดียวมันเป็นความสุขเดียวเดียว พอมันหมดไปมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าไปอยากได้อะไรแล้วมันจะติดพอได้แล้วก็ดีใจพอหมดไปก็เสียใจแล้วก็ต้องไปหาใหม่มาอยู่เรื่อยๆหาเท่าไหร่ก็ไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอต้องหยุดความอยากแล้วใจจะได้ไม่หิวไม่ต้องไปดิน้นนนไปหาอะไรมาอยู่กับความสงบ นี่คือการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้ไม่มีความอยากอยู่ในใจเหมือนพวกเราพวกเรายัางอยากได้เงินทองยังอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ยังอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายกันแต่พระพุทธเจ้าไม่มีความอยากเหล่านี้อยู่พระองค์เลยไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆเพราะไม่มีความอยากได้สิ่งต่างๆ ไม่ทุกข์กับร่างกายเพราะไม่มีความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายร่างกายแก่ก็ยินดีให้มันแก่ร่างกายเจ็บก็ยินดีให้มันเจ็บร่างกายตายก็ยินดีให้มันตายพอยินดีมันก็เลยไม่ทุกข์ถ้าไม่ยินดีก็ทุกข์สังเกตไหมเวลาเรายินดีได้อะไรมาเรายินดีเราทุกข์ไมไม่ทุกข์ใช่ไพอได้ของที่เราไม่ยินดีมาเนี่ยเรา ท, ทุกข์ทันที เห็นเราหันมาทำใจเราให้ยินดีก็จะไม่ทุกข์เขาได้ใครด่าเราก็ยินดีสิลองยินดีดูวันนี้เขาด่าเราดีใจแสดงว่าเขาคิดถึงเราเขาถึงด่าเราเอยินดีพอยินดีเราจะดีใจเราจะไม่เสียใจเราจะไม่ทุกข์ที่เราทุกข์เพราะเราไม่ยินดีเท่านั้นเอง เรามาหัดเปลี่ยนใจเราเส้่ใหม่นะอย่าไปไม่ยินดีกับอะไรให้หัดยินดีกับทุกสิ่งทุกอย่างยินดีกับสิ่งที่ได้พอใจกับสิ่งที่มีแล้วจะไม่มีความทุกข์ความทุกข์ของพวกเราเกิดจากความไม่ยินดีไม่พอใจมีเท่าไหร่ก็ไม่พอใจใช่ไตอนนี้มีเท่าไหร่ก็ยังอยากได้เพิ่มอีกใช่ไหมพออยากได้เพิ่มแล้วเป็นไงสบายใจไหมไม่สบายใจแล้ว พออยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอไม่ได้ก็ไม่ไมสบายใจเสียใจพอได้ก็ดีใจเดียวเดียวเดี๋ยวก็อยากได้เพิ่มขึ้นมาอีกแล้ะนี่คือปัญหาของความอยากเราต้องอยากไปอยากหัดทำใจให้ยินดีตามดีตามเกิดไม่ว่าจะดีจะชั่วยินดีให้หมดใครจะด่าก็ยินดีใครจะสาบใครจะแช่งก็ยินดีใครจะดูถูก เหยียดยามก็ยินดีใครจะตบจะตีก็ยินดีให้มันรู้ไปอย่างมากก็แค่ตายเมื่อเราตายเราก็ยินดีเราจะไปกลัวอะไรยินดีกับความตายยินดีกับความเจ็บใครจะทุก์จะตีเราเราก็ยินดียินดีกับความเจ็บ ร, ร, รับรองได้ว่าเราจะไม่ทุกข์กับอะไรการที่เราจะทำให้ใจเรายินดีได้เราต้องมีสมาธิ เพเวลาใจเราเป็นสมาธิมันจะเฉยมันจะไม่เดือดร้อนกับอะไรที่จะมากระทบกับใจหรือกับร่างกายมันจะปล่อยวางได้มันจะรู้สึกเฉยเฉยไม่ได้มีความอยากให้มันหายไปถ้าเราไม่มีสมาธินี่ใจเราจะรักจะชังพอสิ่งที่เรารักก็อยากได้เพราะสิ่งที่ชังก็อยากจะให้มันหายไป แตของพวกนี้เราบางทีก็บังคับมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้สั่งให้คนเขาไม่ด่าเราได้หรือเปล่าสั่งให้คนเขาไม่นินทาดูถูกเหยียดหยามเราได้หรือเปล่าสั่งก็ไม่ได้พอเขามานินทาเราก็เสียใจแต่ถ้าเรามาฝึกใจให้เฉยๆกับคําสรรเสริญ น, นินทาใครจะสรรเสริญก็เฉยใครจะนินทาก็เฉยไม่ได้ไปดีใจเสียใจ ใจจะมีความสุขอยู่เหนือความทุกข์ต่างๆได้ถ้าใจมีความสงบเพราะเวลาใจสงบนี้มันจะเป็นอุเบกขาอุเบกขาคือไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงได้ยินเสียงด่าก็ไม่ไม่กลัวไม่หลงไม่ไม่ชังได้ยินเสียงชมก็ไม่รักไม่ยินดีเฉยๆใครจะชมก็ปากของเขาใครจะด่าก็ปากของเขา ไม่เกี่ยวกับเราสัหน่อยมันก็เป็นแค่ลมปากทำไมเราจะตาใจเราต้องไปหวั่นไหวกับเสียงลมปากหวั่นไหวเพราะเรามีความอยากในใจเราเองเราอยากให้คนนับหน้าถือตายกย่องสรรเสริญไม่อยากให้คนเขาดูถูกเหยียดหยามรังเกียจเขารหานินทาดุด่าว่ากาวเท่านั้นเองปัญหามันอยู่ที่ใจเรา ใจเราไปอยากเองถ้าเราทำใจให้สงบได้ฝึกสตินั่งสมาธิทำใจให้เป็นอุเบกขาได้มันก็จะไม่มีอารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นมาในใจไม่มีความอยากให้คนเขายกย่องสรรเสริญไม่มีความกลัวคนจะด่าจะว่าจะทุบจะตีอันนี้นี่คือประโยชน์ของการมาฝึกสติฝึกสมาธิ ก่อนกจะนั่งสมาธิได้ต้องฝึกสติให้ได้ก่อนต้องควบคุมความคิดให้ได้ก่อ น, ออนถ้าควบคุมความคิดไม่ได้เวลานั่งสมาธิมันจะอึดอัดนั่งได้ไม่กี่นาทีมันก็รู้สึกอยากจะลุกแล้วเพราะใจมันคิดอยากจะไปทำนู่นทำนี่นั่นเองเราต้องคอยควบคุมความคิดต่างๆความคิดที่อยากจะไปทำนู่นทานี่ไปดูนั่นดูนี่ไปฟังน่นฟังนี่ให้ได้ ถ้าควบคุมไม่ได้เวลานั่งเราจะรู้สึกอึดอัดนั่งไม่ได้นานแต่ถ้าเราหัดฝึกสติควบคุมความคิดต่างๆได้เวลานั่งมันจะไม่อึดอัดมันจะสบายมันจะเย็นจะมีความสุขฉั้นเบื้องต้นนี้เราจึงต้องฝึกสติก่อนฝึกสติให้มากๆมันควบคุมความคิดอยู่เรื่อยๆ อย่าปล่อยให้ใจคิดไปถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องที่ไม่จำเป็นจะต้องคิดนะถ้าเรื่องที่จะเป็นต้องคิดก็คิดได้แต่เรื่องจำเป็นมันไม่มีไม่มากหรอกเช่นวันนี้วันอะไรต้องไปทำอะไรมั่งก็มีเท่านั้นพอรู้ว่าต้องไปทําธุระที่น้าที่นี่ก็ออกเดินทางไประหว่างเดินทางไปก็อย่าไปคิดพุทโธพุทโธไป หรือเวลาหรือเวลาเตรียมตัวแต่งเนื้อแต่งตัวอาบน้าอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันก็ไม่ต้องคิดอะไระใช้พุโทโธพุโทโธดึงเอาไว้หรือจะให้เฝ้าดูงานที่ร่างกายกำลังทำอยู่ก็ได้กำลังแปรงฟันก็ให้ดูอยู่กับการแปรงฟันกำลังหวีผมก็ให้อยู่กับการหวีผมอย่างเดียวอย่าหวีผมไปแล้วก็คิดถึงคนนั้นคนนี้ด้วย ให้คิดอยู่กับเรื่องหวีผมอย่างเดียวเวลากินอาหารก็ให้อยู่ให้คิดอยู่กับเรื่องกินอาหารเช่นกำลังตักอาหารก็ให้คิดว่ากำลังตักอาหารกำลังเอาอาหารเข้าปากก็ให้คิดว่ากาลังเอาอาหารเข้าปากเวลาเคี้ยวก็ให้คิดว่ากำลังเคี้ยวเวลาเกลือก็ให้คิดว่ากำลังเกลืนให้คิดแบบนี้ให้รู้แบบนี้แล้วมันจะไม่สามารถไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ พาเราต้องการจะนั่งสมาธิทําใจให้สงบเราก็จะนั่งได้เราจะนั่งแล้วเราก็จะอยู่กับพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปหรืออยู่ ก, กับการดูลมหายใจไปก็ได้วิธีนั่งวิธีฝึกสตินี้มีหลายวิธีด้วยกันก็เรียกว่า40วิธีกรรมฐาน40กรรมฐานก็คือวิธีฝึกสติ พุทธานุสติก็คือเราเลิกถึงพระพุทธเจ้าก็ท่องพุทโธพุทโธไปธรรมานุสติก็นึกถึงพระธรรมคําสอนก็ท่องธรรมโมธรรมโมไปเราเลิกถึงสังขานุสติเราเลิกถึงพระอริยสงสาวกก็ให้ท่องสังโฆสังโฆไปให้ท่องเท่านั้นเองเหมือนกับเรหัดร้องเพลงเนื้อ ถ้าเราร้องเพลงไปหัดร้องเพลงอยู่เรื่อยๆเราก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เนี่ยาให้สวดมนต์ก็แบบเดียวกับร้องเพลงสวดมนต์มันดีกว่าร้องเพลงเพราะว่าเพราะว่าสวดมนต์แล้วเราไม่รู้ความหมายถ้าร้องเพลงมันมีความหมายเนี่ยมันทำให้เราคิดต่อได้แต่ถ้าเราสวดมนต์เป็นภาษาบาลีเราไม่เข้าใจความหมายเราก็จะไม่ไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ เพราะบทสวมดมนต์ไม่ได้มากระตุ้นให้เราไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฝึกสติแบบนี้ใช้กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งส่วนใหญ่เราก็จะใช้กันแค่พุโทโธหรือใช้ร่างกายขอยจดจ่อเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายร่างกายกําลังทำอะไรอยู่ก็ให้ใจเกาะติดไปกับการเคลื่อนไหวของร่างกายเพียงอย่างเดียว ให้รู้ว่ากําลังเดินให้รู้ว่ากําลังยืนกําลังนั่งกําลังนอนกําลังทำมานั่นทําให้นี่อยู่กําลังล้างหน้ากําลังแปรงฟันกําลังกินอาหารกําลังอาบน้ําแต่งตัวกําลังขับรถกําลังนั่งฟังเทศฟังธรรมเนี่ยให้มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าให้ใจไปที่อื่นบางทีร่างกายอยู่ตรงนี้แต่ใจไปอยู่พัทยานุ่นอยู่กรุงเทพนุ่นน อันนี้เรียกว่าไม่มีสติแล้วเผลอสติถ้ามีสติใจต้องอยู่กับร่างกายตลอดเวลาไม่ไปคิดถึงกรุงเทพไม่ไปคิดถึงพัทยาไม่ไปคิดถึงอุดรเมื่อกี้เมื่อจากเยอมันก็อย่าไปคิดถึงเยอะมันแต่ใจมันชอบไปมันไม่ชอบอยู่กับเนื้อกับตัวมันเลยทำให้ใจสงบไม่ได้สักทีเลยไม่ได้สัมผัสกับความสุขอันวิเศษ ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขที่ไม่มีความทุกข์พอ uh. เราได้ความสุขแบบนี้แล้วเราจะได้ทิ้งความสุขแบบเก่าไปให้หมดพอความสุขแบบที่เรามีอยู่ตอนนี้เดี๋ยวมันจะต้องทำให้เราทุกข์เดี๋ยวของที่ให้ความสุขกับเราพอมันเสียไปมันก็ทำให้เราทุกข์ลพอคนที่ให้ความสุขกับเราพอเขาจากเราไปมันก็ทาให้เราทุกข์ละ เรากำลังอยู่เรากำลังรอความทุกข์ของต่างๆนี้มันเหมือนลูกระเบิดไม่ช้าก็เร็วมันจะต้องระเบิดมันจะต้องเสียมันจะต้องจากเราไปพอมันเสียมันจากเราไปก็เหมือนลูกระเบิดระเบิดตูมใส่หน้าเราเราก็จะร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับกัน แต่ถ้าเราฝึกสติฝึกสมาธิได้เราจะไม่เดือดร้อนใครจะมาใครจะไปใครจะเสียไม่เสียไม่มีอะไรไม่เดือดร้อนเพราะถึงเวลาเราก็นั่งสมาธิของเราทำใจของเราให้สงบได้นี่แหละเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่งค้นพบแล้วก็นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเรา ถ้าพวกเราไม่มีพระพุทธเจ้านี้เราจะไม่มีวันที่จะเข้าถึงความสุขแบบนี้ได้เลยเราก็จะติดอยู่กับความสุขที่เรากําลังติดอยู่ในตอนนี้แล้วก็ต้องมาร้องโหย่ร้องไห้เศร้าโศกเสียใจหรือยังไม่ทันเกิดเหตุการณ์ก็เกิดแต่ความวิตกกังวลว่าเมื่อไหร่มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่คนนั้นจะเป็นจะตายเมื่อไหร่คนนั้นจะจากเราไปเพียงแต่คิดก็ทําให้เราไม่สบายใจละ แล้วเดี๋ยวพอเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาจริงๆก็ทำใจไม่ได้เสีย อ, อกเสียใจร้องห่มร้องไห้ความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆนั้นหายไปหมดเลยมีแต่ความเศร้าก็ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งจนกว่าจะลืมเหตุการณ์ที่ทำให้เศร้าไปได้ถึงจะมาเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ก็มาหาความสุขแบบเดิมอีกหาความสุขจากคนนั้นคนนี้ใหม่ แ้วเดี๋ยวพอเขาเป็นอะไรไปอีกก็ต้องมาเศร้าอีกเตอนนี้เราไม่ต้องหาความสุขแบบนี้แล้วเรามาหาความสุขจากสมาธิกันดีกว่ามาฝึกสติของไม่ยากฝึกสตินี้ไม่ต้องใช้อะไรไม่ต้องเสียเงินเสียทองเพียงแต่ให้จําไว้ว่าเราต้องพุโทโธพุโทโธเท่านั้นเองลองทดลองดูสักวันหนี่งเริ่มตั้งแต่เวลาลืมตาขึ้นมาเลย พอตื่นขึ้นมาลืมตาจะไปคิดนู่นคิดนี่การดึงมันมาหาพุทโธพุทโธคิดนิดเดียวว่าพอคิดว่าวันนี้เป็นวันอะไรต้องไปทํางานหรือต้องไปทําอะไรหรือเปล่าพอรู้ว่าต้องไปทํางานทําการก็ลุกขึ้นมาไปเตรียมตัวระหว่างที่เตรียมตัวไปทํางานก็อย่าไปคิดอะไรให้พุทโธพุทโธไปกับงานที่เราทําอยู่อามน้ํากับพุทโธไป ทำาไมพุโทโธก็ให้ใจจดจอ่อยอยู่กับเรื่องของการอาบน้ำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ใช้พุโทโธก็ได้ใช้การเฝ้าดูงานที่เรากำลังทำอยู่ก็ได้ขอให้มันอยู่กับร่างกายอย่าให้มันไปที่อื่นเท่านั้นเองให้มันอยู่ในปัจจุบันอย่าไปอดีตอย่าไปอนาคตอย่าไปที่ใกล้ที่ไกลให้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้ให้อยู่กับเรื่องเดียว อยู่กับพุทธโธก็ได้อยู่กับร่างกายก็ได้ถ้าฝึกอย่างนี้ได้เดี๋ยวพอเวลาเรามีเวลาว่างก็อย่าไปดูละครอย่าไปดูทีวีมานั่งหลับตาดูพุทโธดีกว่าดูลมหายใจเข้าออกดีกว่าเพราะผลที่ได้มันต่างกันเหมือนฟ้ากับดินดูละครมันก็เพลิดเพินไปสักชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวจบแล้วก็รู้สึกเหงาว้าเวขึ้นมาอีกแล้วไม่มีอะไรดู สู้นั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งดีกว่าจิตสงบแล้วจะสุขไปนานออกจากสมาธิก็ยังเย็ยนยังจะสบายอยู่ถ้ามันหายก็กลับไปนั่งใหม่ได้ไม่ต้องรอเวลาของละครของภาพยนตร์เวลาจะดูละครก็ต้องมีเวลาดูถ้ายังไม่ถึงเวลาก็ไม่มีละครให้ดูแต่เวลาจะนั่งสมาธินี้ไม่ต้องรอเวลา ต้องการนั่งเมื่อไหร่ต้องการความสุขเมื่อไหร่นั่งได้ทันทีเขาถึงได้ทันทีไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเสียทองไม่ต้องซื้อทีวีไม่ต้องซื้อมือถือมาดูไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรสบายแสนสบายของวิเศษแทๆ้ๆ อ, อ, อ, อ, อยู่ภายในเอื้อมมือของเราอยู่ภายในเอื้อมมือของสติ ถ้ามีสติแล้วรับรองได้ว่าจะสามารถนั่งสมาธิกันได้สามารถพบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงได้พวกเราโชคดีนะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้านี้เราจะไม่รู้เคล็ดลับอันนี้เลยว่าของดีๆของของดีๆและหาได้ง่ายๆนี้อยู่กับตัวเราอยู่แล้วเรากลับไปหาของไม่ดีของที่ยากเย็น กว่าจะได้ข้าวของที่เราอยากได้สักชิ้นทั้งอันนี้บางทีต้องไปทำงานหลายเดือนเก็บเงินเก็บทองกว่าจะซื้อลดได้สักคันนี้หลายเดือนหลายปีล้วซื้อมาแล้วก็มาปวดหัวกับรถเด็กต้องจ่ายค่าประกันต้องจ่ายค่าน้ำมันต้องหาที่จอดรถแล้วเวลามันเสียก็ต้องไปคอยซ่อมมันอีกความสุขจากสิ่งต่างๆมันเป็นความสุขแบบปวดหัว ควาสุขแบบมีปัญหาที่จะต้องให้เราคอยแก้อยู่เรื่อยๆสู่ความสุขจากการนั่งสมาธิไม่ได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยปัญหาของพวกเราอยู่ตรงที่ไม่มีสติเท่านั้นเองนั่งแล้วก็ไม่สงบนั่งแล้วไม่ยอมอยู่กับพุทธโธนั่งไปปั๊บพุทธโธได้สองคำก็เริ่มคิดละคิดถึงคนนั่นคิดถึงคนนี้นั่งอย่างนั้นไปเดี๋ยวไม่นานก็นั่งไม่ได้หรือถ้าไม่ ถ้านั่งถ้านั่งได้ก็บางทีก็มีอะไรโผล่ขึ้นมาให้รู้ให้เห็นซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราต้องการรู้ต้องการเห็นมันไม่เป็นประโยชน์มันอาจจะทำให้เราหลงเนี่ยวนที่นั่งสมาธิแล้วไม่มีสติพอมีอะไรปรากฏโผล่ขึ้นมาก็จะไปหลงคิดว่าเป็นนูน่นเป็นนี่ขึ้นมาก็เลยกลายเพี้ยนเป็นคนเพี้ยนขึ้นมากายเป็นคนบ้าขึ้นมาคิดว่าตัวเองเป็นเทวดาบ้างคิดว่าเป็นเจ้าเป็นอะไรกลับเข้ามา มาเกิดใหม่บ้างอันนี้ถ้านั่งไม่มีสติมันจะทำให้คนบ้าได้เห็นเวลานั่งสมาธิต้องฝึกสติให้ดีต้องรู้ว่าเวลาเราปรากฏขึ้นมาอย่าไปสนใจอย่าไปเชื่อบางทีนั่งแล้วไปไปคิดว่าตนเองเป็นพระพุทธเจ้ามาก่อนชาติก่อนเป็นนู่นเป็นนีเน่เป็นเรื่องของความนึกคิดเท่นั้นเองของจิตใจ นู่นถ้ามันเป็นความจริงก็อย่าไปหลงไปรู้ว่าชาติก่อนก็เป็นเรื่องของชาติก่อนชาตินี้มันก็เป็นเรื่องของชาตินี้คนละชาติคนละเรื่องกันถ้าเป็นละครก็คนละเวทีกันชาติก่อนเราเป็นนักแสดงเล่นละครเรื่องนั้นชาตินี้เรามาเป็นนักละครเล่นละครเรื่องนี้มันคนละเรื่องกันอย่าเอาชาติก่อนกับชาตินี้มาปนกัน ไงั้นเดี๋ยวจะตู่กันว่ า, าคนนี้ชาติก่อนเคยเป็นแฟนเราเดี๋ยวต้องไปเอาเข้ามาเป็นแฟนอีกทั้งๆ ท, ที่เขามีสามีมีแฟนอยู่แล้วอันนี้ก็อย่าไปเชื่อนะเวลานั่งแล้วมีอะไรมาปรากฏมาบอกมาเล่าให้เราฟังอย่าไปสนใจมันเป็นของที่เถึงแม้ถ้ามันจะเป็นความจริงมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับเรามันจะมาทาให้เราหลงไปเปล่า สูาต้องการความว่างความสงบเพียงอย่างเดียวเวลานั่งสมาธิจะว่างจะสงบได้ก็ต้องมีสติถ้าไม่ว่างไม่สงบมีนู่นนี่นี่มีนมี่โผล่ขึ้นมาก็แสดงว่าไม่มีสติแล้วเพลิสติพอเพอิดสติจิตมันก็จะปรงแต่งหลอกสร้างเรื่องต่างๆขึ้นมาหลอกเรานั้นเวลาเรานั่งเราต้องฉลาดต้องรู้ทันว่า น, นี่เป็น เป็นของหลอกนะกาลังถูกหลอกจิตกําลังมาหลอกเราสร้างเรื่องนั้นสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมานจริงเราไม่เป็นอะไรทั้งนั้นจิตถึงแม้จะเป็นก็เรื่องของอดีตปัจจุบันเรารู้ว่าเราเป็นอะไรขอให้เราอย่าเราอย่าลืมว่าตอนนี้เราเป็นอะไรเรามีชื่ออะไรเรามีฐานะอะไรมีบ้านอยู่ที่ไหนอันนี้แหละเป็นของจริงของสาหรับชาตินี้ แต่ถ้ามันมาโผล่ขึ้นมาบอกว่าชาติก่อนเราเป็นมหาเศรษฐีเรามีนู่นมีนี่อันนี้มันก็เป็นเรื่องของชาติก่อนไม่เกี่ยวกับชาตินี้ต้องรู้ทันอย่าหลงให้รีบกลับมาถ้ามีเหตุการณ์อะไรปรากฏขึ้นมาในใจนี่ถือว่าเราเผอลอละเราไม่มีสติแล้วเราต้องกลับมาหาสติกลับมาที่พุทโธพุทโธต่อไปหรือกลับมาดูลมหายใจต่อไป แล้วใจจะปลอดภัยจากเรื่องราวต่างๆถ้าไม่มีสติแล้วเดี๋ยวใจมันจะบุงบุงแต่งเรื่องราวต่างๆขึ้นมาหลอกเราแล้วเราถ้าเราไม่ฉลาดก็ไปหลงเชื่อทีนี้เราก็จะกลายเป็นคนผิดปกติไปอันนี้คือปัญหาของพวกที่ปฏิบัติแบบไม่มีสติแบบไม่มีคนคอยสอนคอยเตือนคอยบอก กินอยากจะนั่งเห็นเขาบอกให้นั่งหลับตาก็หลับตาพอหลับตาพุโทโธใน้สองคำก็หยุดแล้วก็ไปดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นพอมีอะไรเกิดขึ้นก็ว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาเราก็เชื่อแล้วก็ทำตัวเป็นคนผิดปกติไปเชื่อว่าตนเองเป็นใหญ่เป็นโตพอออกจากสมาธิมาบางทีพ่อแม่ก็ไม่เข้ารบซะละสิเชื่อว่าใหญ่กว่าพ่อแม่ขึ้นมาก็มี อันนี้ระวังนะพวกที่นั่งสมาธิแล้วไปรู้ไปเห็นอะไรเนี่ยเป็นของปลอมทั้งนั้นอ่ะอย่าไปเชื่อถึงแม้ถ้ามันเป็นของจริงก็เป็นของชาติก่อนไม่เกี่ยวกับชาตินี้ชาตินี้เราก็ยังเป็นคนเดิมอยู่นั่งสมาธินานเท่าเท่าไรเราก็ยังเป็นคนเดิมอยู่มีชื่ออะไรก็ยังชื่อนั้นอยู่มีอายุเท่าไรก็ยังอายุท่านั้นอยู่มีเงินเท่าไรก็ยังมีเงินท่านั้นอยู่ มีตำแหน่งอะไรก็ยังเป็นตำแหน่งนั้นอยู่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะอย่าไปหลงกับสิ่งที่เราเห็นในในสมาธิบางคนไปหลงกับสิ่งที่เห็นในสมาธิคิดว่าตนเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาบางทีก็คิดว่าเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาบางทีก็คิดว่าเป็นพระโสดาบันขึ้นมาบางทีก็คิดว่าเป็นเทวดามันเป็นความคิดหลอกเราละมัดระวังให้ดีเวลานั่งสมาธิ ก่อนจะนั่งก็ควรจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสมาธิให้รู้บ้างว่าสมาธิมีมีรูปแบบอย่างไรอะไรถึงเป็นสมาธิสมาธิมีอะไรบ้างสมาธินี่มีสามสามแบบด้วยกันสมาธิที่สงบแต่สงบได้เดียวเดียวเรียกว่าคันนิกะสมาธิอันนี้สมาธิแบบงูแลบลิ้นอ่ะพอจิตพุทโธพุทโธแล้ววุบเข้าไปนิ่งปุป๊บนึงแล้วก็ถอนออกมา อันนี้เรียกว่าคานิกะสมาธิชนิด ท, ที่สองเรียกว่าอัปปนาสมาธิสมาธิแบบนี้พอสงบแล้วก็จะตั้งอยู่ได้นานได้นานกว่างูแลบลิน้นได้นานถึงห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีหรือถ้านั่งบ่อยๆช่ำนาญก็อาจจะยาวเป็นชั่วโมงก็ได้อันนี้เรียกว่าอัปปนาสมาธิแล้วสมาธิชนิด ท, ที่สามเรียกว่าอุปจาระสมาธิ สมาธิแบบนี้เป็นสมาธิหลังจากที่จิตเข้าไปสงบแล้วแต่ไม่อยู่เฉยๆไม่ออกมาไม่ถอนออกมาแต่ก็ไม่อยู่ในสมาธิแต่ออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆที่ไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยทางร่างกายเช่นไปมีตาทิพูทิพย์ไปเห็นเทวดาเห็นเปรตเห็นผีเห็นคนดวงวิญญาณของผู้ที่ตายแล้ว อันนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิเป็นสมาธิที่เรียกว่าทําให้เกิดอิทธิฤทธ์ต่างๆสามารถลลึกชาติได้สามารถอ่านใจคนอื่นได้คนอื่นกําลังคิดอะไรอยู่ถ้ามีสมาธิแบบนี้จะรู้ว่าเขากําลังคิดอะไรเขากาลังชมเราหรือ ก, กำลังด่าเรานี่รู้ไม่ต้องไปถามเขาเพราะความคิดของเราก็เหมือนกับกเหมือนกับกระแสวิทยุเนี่ย เราคิดแล้วมันก็ส่งกระแสออกไปใครมีเครื่องรับก็รับได้รับว่าเอาตอนนี้คนนี้กาลังคิดอะไรอยู่คนที่มีอุปจารสมาธิก็สามารถที่จะรับความคิดของคนอื่นได้พระพุทธเจ้าเวลาจะแสดงธรรมให้กับพวกเทวดาท่านก็ใช้สมาธิอันนี้อุปจารสมาธิสมาธิที่นิ่งแต่แต่สงบแต่ไม่ไม่ไม่อยู่วยกับที่เป็นสมาธิที่ออกไปเที่ยวข้างนอก เที่ยวในโลกทิพย์ติดต่อกับเทวดาติดต่อกับดวงวิญญาณที่ตายไปแล้วได้พระพุทธเจ้าไปติดต่อกับแม่ของท่านแม่ของท่านทอดท่านออกมาเจ็ดวันก็ตายไปพอท่านได้สมาธิแบบนี้ท่านก็เลยไปค้นหาดูในในโลกทิพย์ก็ไปเจอว่าเป็นเทวดาอยู่ก็เลยไปทักทายไปคุยกันไปสนทนาไปสั่งสอนแม่อยู่หนึ่งเดหนึ่งพันษาด้วยกัน สอนจนแม่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมานี่คือสมาธิชนิดที่สสมาธิชนิดที่สามนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าไปสนใจถ้าเราต้องการที่จะทําใจให้เราสงบนานๆมีความสุขอย่าไปท้าใจมันไปหาสมาธิแบบนี้ให้ดึงกลับเพราะสมาธิแบบนี้ถึงแม้ว่าจะมีเรื่องราวอะไรต่างๆแต่มันไม่ได้ทําให้ใจมีความสุข เหมืนกับสมาธิที่นิ่งๆเฉยๆเราต้องการสมาธิแบบนิ่ ง, ง, งๆเฉยๆสมาธิที่เป็นแบบอุเบกขาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงถ้าเป็นอุปจาระนี่มันยังรักชังกลัวหลงอยู่ถ้าไปเจออะไรที่น่ากลัวมันก็จะตกใจกลัวได้ให้มาฝึกสมาธิแบบอุเบกขาดีกว่าเพราะว่าเราจะต้องเอามาใช้ต่อสู้กับ กิเลสตันหาต่อส to sì, so, ู้ก like ับเหตุการณ์ต่างๆถ้าเรามีอุเบกขาเวลาเราเจอเหตุการณ์ที่เราไม่ชอบเราก็จะเฉยได้เวลาเราเจอเหตุการณ์ที่เราชอบเราก็จะเฉยได้ทําไมต้องเฉยกับเหตุการณ์ที่ชอบก็เพราะว่าพอเราเจอเหตุการณ์ที่ชอบถ้าเราไม่เฉยเราก็จะอยากได้ขึ้นมาแล้วพอเราอยากได้แล้วถ้าไม่ได้เราก็จะเสียใจ หรือถ้าได้มาแล้วเดี๋ยวมันจากเราไปมันก็ทําให้เราเสียใจอกีกเห็นเราต้องเฉยกับทุกอย่างชอบก็ต้องเฉยไม่ชอบก็ต้องเฉยเพราะมันปลอดภัยถ้าไม่ชอบถ้าเฉยไม่เป็นพอเจอสิ่งที่ไม่ชอบก็วุ่นวายใจขึ้นมาพอเจอเสียงด่าขึ้นมาก็วุ่นวายใจขึ้นมาแต่ถ้าทําใจให้เฉยได้เป็นอุเบกขาได้ชจะก็จะเฉยไม่เดือดร้อน ใครจะด่าก็ด่าไปใครจะชมก็ชมไปใครจะทำร้ายเราก็ถ้าหลบได้ก็หลบหลบไม่ได้ก็ถือว่าเป็นกรรมไปมันอย่างมากก็แค่ตายตายก็ไม่ตายก็ไม่กลัวตายตายก็เฉยถ้ามีอุเบกขาเรามันเฉยกับทุกอย่างเฉยกับความแก่เฉยกับความเจ็บเฉยกับความตายได้นี่แหละประโยชน์ของอัปปนาสมาธิจิตสงบนิ่งเป็นอุเบกขา เรื่องอุปจาระเรื่องที่ออกไปรับรู้นี้เป็นเรื่องกรณีพิเศษไม่ใช่ว่าทุกคนที่นั่งสมาธิจะได้อุปจาระสมาธิถ้าที่ได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าพวกที่จะได้อุปจาระนี้เป็นมีประมาณร้อยละห้าเปอร์เซ็นต์นะมีน้อยมากคนที่มีความสามารถพิเศษที่มีอิทธิฤทธิ์ต่างๆเนี่ย เป็นภาษาของพระเจ้าทุกองค์นี้ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ว่าทุกองค์ได้อุปจาระสมาธินะได้ไม่กี่องค์นะมีพระโมคคัลลานะในได้อุปจาระสมาธิแต่ภาษารีบุตรนี้ท่านได้อ่อท่านได้ปัญญาท่านเก่งทางปัญญาแต่เรื่องของอุปจาระนี้ไม่เป็นประโยชน์ในการที่เราจะมาฝึกจิตให้ ใ ห, ให้ไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆเวลาที่เราออกจากสมาธิมาแล้วถ้าเราอยู่ในอัปปนาสมาธินา น, านๆเวลาออกมาใจเราจะมีอุเบกขาติดมาด้วยแล้วพอเรามาเจอคนนั้นคนนี้เราก็จะเฉยเจอคนที่เราไม่ชอบก็เฉยเจอคนที่เราชอบก็เฉยเจอคนที่เรารักก็เฉยจะไม่วิตกไม่กังวลไม่ห่วงใยว่าเขาจะเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไร เขาจะเป็นหรือไม่เป็นเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้อันนี้เป็นสมาธิที่เราต้องการคืออัปปนาสมาธิคันิกะก็เป็นสมาธิเดียวเดียวเวลาเริ่มต้นฝึกใหม่ๆจะได้คันฮิกะก่อนจะสงบได้ปั๊บหนึ่งแบบงูแลบลินแล้วก็จะถอนออกมาพอถอนออกมาเราก็ต้องมาฝึกสติต่ออย่าอย่าหยุดการเจริญสติ เจริญสติต่อไปแล้วก็พยายามกลับมานั่งใหม่นั่งไปจนกว่ามันจะได้เป็นอัปปนาสมาธิให้มันนานขึ้นไปเรื่อยๆจากห้านาทีเป็นสิบนาทีจนยี่สิบนาทีเป็นสามสิบนาทีจนนานถึงชั่วโมงฝึกไปเรื่อยๆแล้วถ้ามีสติมากกำลังมากเท่าไหร่มันก็จะนิ่งจะสงบได้มาก แล้วถ้าเกิดมันเป็นจริตของเราจะออกไปทางอุปจาระก็อยากพึกปล่อยมันออกไปดึงมันกลับมาเพราะว่าถ้าไปทางอุปจาระแล้วมันจะไม่มันจะไม่เป็นอุเบกขาเวลาออกจากสมาธิอุปจาระสมาธิมามันจะเหนื่อยเหมือนกับว่าเหมือนกับคนนอนหลับแล้วฝันคนนอนหลับแล้วฝันถ้าไปตื่นขึ้นมาบางทีก็เหนื่อยกับความฝันถ้านอนหลับแบบไม่ฝันนี่ตื่นขึ้นมานี่ รู้สึกจะมีกําลังวังชาได้พักผ่อนเต็มที่ฉะ น, นเราต้องการพักผ่อนพักจิตสร้างพลังให้กับจิตต้องให้จิตอยู่ในอัปปนาสมาธินแล้วเวลาออกมาใจจิตจะเป็นเหมือนหินเห็นอะไรจะเฉยจะไม่หวั่นไหวถ้าจิตที่ไม่มีสมาธินี่เหมือนกับอะไรรู้ไหมเหมือนกับใบไม้พอลมพัดมาเบาๆก็เปีวเยวไปแล้วเหมือนปุยนุ่นเคเห็นปุยนุ่นมไหม ลมพัดแผ่วเบานี่มันก็ไปแล้วจิตของคนที่ไม่มีสมาธิเนี่ยไม่มีความสงมบไม่มีโอเบคาพอได้ยินเสียงคำเดียวบางทีก็ไปแล้วเสีย อ, อกเสียใจร้องห่มร้องไห้พอเห็นภาพสักอย่างหนึ่งก็เกิดความอารมณ์เสี ย, สยขึ้นมาอารมณ์บุดขึ้นมาแล้วแต่คนที่มีสมาธินี่จะเป็นเหมือนก้อนหินจะเฉยเฉยเห็นอะไรก็เฉยได้ยินอะไรก็เฉย ไม่เดือดร้อนอันนี้เป็นกำลังของสมาธิเพียงแต่ว่ามันยังเป็นกำลังที่ต้องคอยเติมอยู่เรื่อยเวลาสมาธิเสื่อมปั๊บพอเห็นอะไรก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาได้ได้ยินอะไรก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาได้ต้องกลับเข้าไปสมาธิใหม่เหมือนกับรถพอน้ามันหมดก็ต้องกลับไปที่ปั๊มไปเติมใหม่แต่ถ้าเราอยากจะทำให้จิต แข็งเหมือนก้อนหินตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องกลับเข้าไปในสมาธิเราก็ต้องฝึกอีกขั้นหนึง่งเรียกว่าปัญญาปัญญาที่พระเจ้าสอนก็คือให้เราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขึ้นๆลงๆมีเกิดมีดับอนัตตาเราไปสั่งเขาไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ได้ถ้าเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นอย่างนั้นเราก็จะเฉยได้ พอเราว่าไปอยากมันก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เช่นฝนตกไปอยากให้มันหยุดก็หยุดไม่ได้ก็ปล่อยมันตกไปไปวุ่นวายกับการตกของฝนทำไมทีนี้บางทีเราวุ่นวายเพราะความอยากของเราอยากจะจัดงานข้างนอกบ้านทัชชีสนามหญ้าพอฝนตกก็เลยอยากให้มันหยุดอันนี้ก็ต้องเห็นว่าเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้มันเป็นอนัตตาเป็นธรรมชาติ คนก็เหมือนกันเสียงก็เหมือนกันที่เรามาสัมผัสรับรู้นี่มันก็เป็นธรรมชาติทั้งนั้นเราไปสั่งเขาไม่ได้สั่งให้เขาชมเราอย่างเดียวไม่ได้สั่งให้เขาไม่ด่าเราไม่ได้ถ้าเรามีปัญญาเราก็จะเฉยปล่อยให้เขาด่าไปปล่อยให้เขาชมไปเราก็จะไม่เดือดร้อนถ้ามีปัญญาแล้วจิตก็จะเป็นเหมือนหินตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องกลับเข้าไปในสมาธิก็ได้ นี่ละคือการฝึกจิตฝึกใจให้จิตมีความสุขมีความสงบไม่หวั่นไหวไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆที่มาสัมผัสมากระทบกับจิตใจจิตใจที่ได้ฝึกฝนอบรมด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาแล้วจะเป็นเหมือนใบบัวเวลาหยดน้ำลงไปบนใบบัวนี่มันจะไม่ซึมเข้าหากันน้ำก็จะกลิ้งอยู่บนใบบัว น้านี้ก็เป็นเหมือนกับเหตุการณ์ต่างๆที่มากระทบกับใจใบบัวนี้ก็เป็นเหมือนกับใจที่มีสติมีสมาธิมีปัญญาจะไม่จะไม่ดูดซึมกันเข้าหากันแต่ถ้าจิตที่ไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญานี่เหมือนกับกระดาษกระดาษซึมเนี่ยพอหยดน้ําลงไปหยดเดียวนี้มันจะดูดข้าหากันหมดเลย ใจที่ไม่มีสติสมาธิไม่มีปัญญาพอเจออะไรปั๊บมันจะโดดเข้าไปในใจเลยดีใจก็ดีใจสุดๆเสียใจก็เสียใจสุดๆหวาดกลัวก็หวาดกลัวสุดๆเนี่ยอันนี้เพราะไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่คอยยับยั้งใจไม่ให้ไปมีอารมณ์กับสิ่งที่มาสัมผัสรับรู้อี่พวกเราตอนนี้พอเจออะไรหน่อยเนี่ยเกิดอารมณ์ขึ้นมาทันที ดีใจก็ดีใจสุดๆเสียใจก็เสียใจสุดๆเนี่ยเพราะเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาคอยรักษาใจของเราให้เฉยๆกับเหตุการณ์ต่างๆแตถ้าเราสามารถสร้างสติสมาธิปัญญาขึ้นมาได้เราจะไม่มีความวุ่นวายกับอะไรทั้งสิน้นจะไม่หวั่นไหวกับเหตุการณ์ต่างๆอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดไป อะไรจะดับก็ปล่อยมันดับไปไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มาให้สัมผัสรับรู้นี่แหละคือความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่มีความทุกข์ไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนใจขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วลองไปศึกษาลองไปปฏิบัติดูแล้วรับรองได้ว่าจะจะได้พบกับสิ่งที่วิเศษ ได้พบกับความสุขได้พบกับการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวารรวาหาปุราปาปริกโปลเนติสาขลัง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 จันโทปนาระโสยะาเมณิโชติราโสยะาสัพพิติโยวิวาจันโตสัพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารายสุขีทีขายุโกภวะภิวาตนาสีฤทสานิจังวุฒาปจายิโน ยะตาโรธรมมวาทานติอายุวันโสุขังภาลาวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทางเฟซบุ๊กเข้ามาสามร้อยสี่สิบสามูทู สองร้อยห้าสิบเอ็ดวิทยุออนไลน์ยี่สิบเก้าระบฟังข้างบนนี้ห้าสิบหกคนรวมทั้งหมดหกร้อยเจ็ดสิบเก้าครับมีคำถามใครอยากจะถามเลยไหมถามก็ถามได้นะไม่เก็บตังค์ไม่ต้องกลัวฟรีอ่ถามทางบ้านก่อนก็แล้วกัน คำถามจากทางบ้านนะครับคำถามที่หนึ่งในที่ทํางานมีเพื่อนร่วมงานที่เหมือนไม่ปรารถนาดีคอยหาข้อโต้แย้งในสิ่งที่เขาเสียเปรียบแต่จะนิ่งเงียบไม่พูดมากในสิ่งที่เขาได้เปรียบส่วนตัวไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับเขาหากแต่ตามเนื้องานต้องติดต่อและได้รับการอนุมัติงานจากเขา พระอาจารย์กรุณาแนะนำธรรมะข้อใดหรือควรทำใจอย่างไรที่จะไม่อึดอัดใจคุยงานกับเขาเหมือนบางครั้งเราอาจมีความรู้สึกไม่สบายใจที่จะคุยกับเขาเพราะเขาคอยจับผิดก้าวร้าวในคำพูดบ้างค่ะเพราะเราไปรังเกยียจเขานสิคนที่เราไม่รังเกยียจเราจะไม่รู้สึกอึดอัดใช่ไมเห็นเราต้องระ ง, งับความรังเกยียจนะคร ยอมรับสภาพว่าเขาเป็นอย่างนี้อยู่กับเขาก็พยายามทำใจให้เป็นอุเบกขาอย่าไปมีอคติต่อเขาความดีความชั่วมันเรื่องของเขาแล้ว เ, เอาตรงที่งานที่เราต้องทำร่วมกันก็เล้วกันถ้าไม่มีความจาเป็นที่จะต้องเกี่ยวข้องกันก็แยกกันอยู่กันคนละมุมแถ้ามีความยจำ ควาจจำเป็นที่จะต้องเกี่ยวข้องกันก็เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องงานการไปอย่าไปเอาความรู้สึกส่วนตัวที่เราไม่ชอบเขามาเป็นอารมณ์แล้วมันจะทำให้เราอึดอัดใจเวลาจะต้องเจอเขาเร า, เราต้องมาหัดฝึกสติฝึกสมาธิกันเราถึงจะทาใจให้เป็นอุเบกขาได้คำถามต่อไปจากคุณสมบูรณ การที่เราตักบาทแล้วมีคนอนุโมทนาบุญกับเราเขาจะได้บุญด้วยไหมเจ้าคะได้บุญคนละอย่างกันเขาไม่ได้บุญที่เกิดจากการใส่บาตรแต่เขาได้บุญจากการอนุโมทนาคือยินดีดีกว่าไม่ยินดีบางคนไม่ยินดีเห็นคนอื่นใส่บาตรแล้วกลับไปว่าเขาใส่เป็นอไมเสียเงินเสียทองพระไม่ดีอย่างนี้ก็มี เขาก็จะไม่ได้ความสุขจากการใส่บาตรของเราแต่ถ้าเขายินดีเออเห็นเราใส่บาตรให้กับพระพระจะดีไม่ดีก็เรื่องของพระเขาแต่คนใส่บาตรก็จะได้บุญได้ความสุขถ้าเราอยากให้เขามีความสุขเราก็แสดงความยินดีไปกับเขาเราก็จะมีความสุขไปกับเขาด้วย คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามกลางคืนผมนั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกกลางวันใช้คำบริกรรมภาวนาพุโทโธอย่างเดียวเพราะต้องทำงานทำแบบนี้ได้ไหมครับได้เวลาทำงานนี้ดูลมยากลมนี่เหมาะกับเวลาที่เรานั่งเฉยเฉยถ้าอยากจะดูถ้าไม่พุโทโธก็ต้องดูร่างกายของเราว่ากำลังทำอะไรอยู่ คำถามต่อไปจากคุณสิทธิเวลาไปทานอาหารในร้านอาหารทะเลที่มีสัตว์ทะเลเป็นเป็นแล้วสั่งตามเมนูมาทานถือว่าผิดศีลข้อที่หนึ่งหรือไม่ครับถ้าเรารูว่าเขาจะเอาสัตว์ที่อยู่ในที่อยู่ในในอะไรในตู้ในมาทำมาฆ่าเพื่อมาให้เราเราก็มีส่วนร่วมเพราะเราเป็นคนสั่งอาหาร ถ้าเราต้องการความปลอดภัยก็สั่งของที่ไม่มีไม่ไม่มีเนื้อสัตว์เนี่ยสั่งผัดผักเปล่าผัดสั่งไข่เจียวอะไรไปทตำนองนั้นก็จะไม่มีปัญหาถ้าอยากจะกินเนื้อสัตว์ต้องต้องไปชื้อที่ไปดูที่ร้านที่เขาไม่มีของเป็นขายดูของที่เขาตายแล้วอย่างนี้ถ้าสั่งก็ไม่ไม่เป็นปัญหา เลยถามที่ร้านก็ก่อนว่าเป็ดไก่หมูที่สั่งที่มาทำมาหานี่ตายหรื อ, อยังถ้าตายแล้วก็สั่งได้ถ้ายังไม่ตายแล้วโค้ก็าต้องไปฆ่ามาให้เรานี้เขาไม่เอานะบอกเขาก่อนได้แล้วถ้าเขาไม่ทาตามคาสั่งเราก็ไม่ใช่เป็นความผิดของเรานะ้วเช่นไปตามร้านที่เขามีปลาอยู่ในในตู้ในบอ่อ เราสั่งปลาทอดว่า เ, าเอาที่ตายแล้วนะให้ที่กําลังเป็นอยู่ตอนนี้อย่าไปฆ่ามันนะเราไม่เอาท่านเขาบอกไม่มีมีแต่ของเป็นต้องฆ้าอย่างนี้ก็ยังก็เอาอย่างอื่นก็แล้วกันเอาของที่อของที่ไม่มีเนื้อสัตว์ก็ได้ผัดผักผัดอะไรไปกินแค่กินเพื่อให้มันหายหิวเท่านั้นนะอย่าไปกินเพื่อ อ, ร, อร่อยเลยเคําถามต่อไปจากผู้ฝากถาม ถ้าลูกรู้ตัวว่ามีภาวะซึมเศร้าลูกควรทำอย่างไรดีคะตอนนี้ดูมันอย่างเดียวคะ่ะให้มันหายเองกว่าจะหายก็ทั้งวันลูกควรหาวิธีให้มันหายซึมเศร้าเร็วขึ้นได้อย่างไรเจ้าคะก็ต้องมีสติคอยระ ง, งับความคิดที่ทำให้เราเศร้านั้นเองพยายามใช้สติฝึกพุทธโธพุทธโธไปความซึมเศร้ามันเกิดจากความคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องที่ทาให้เราเศร้า มันก็เลยเศร้าเห็นถ้าอยากจะให้มันหายเศร้าเร็วๆก็หยุดคิดซะคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามหากไม่มีบุตรเพราะคุมกำเนิดไว้เนื่องจากเห็นถึงความทุกข์จะบาปไหมเจ้าคะไม่บาปหรอกอคำถามต่อไปจากคุณภาวา ขอวิธีวางใจเนื่องจากแฟนที่คบกันมาสิบปีกําลังกลับไปคบแฟนเก่าโดยขอไปไปมาๆเจ้าค่ะก็ใช้ปัญญาว่านี่แหละอันนี้จังทุกขังอนัตตาเป็นอย่างนี้นะอันนี้จังก็คือไม่เที่ยงเมื่อก่อนเขารักเราเดี๋ยวนี้เขาไม่รักเราแล้วเนี่ยไม่เที่ยงเปลี่ยนไปมีการเปลี่ยนแปลงอนัตตาเราไปสั่งไปห้ามเขาไม่ได้ ถ, ถ้าเราทุกข์ก็ทุกข์เพราะว่าเราอยากให้เขาเที่ยงอยากให้เขาเป็นไปตามคําสั่งความต้องการของเราถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องยอมรับวา่ามันเราสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้เขาจะไปก็ให้เขาไปน่าจริงก็บอกอยากกลับมาเลยสิจะได้หาใหม่ได้เรื่องอะไรต้องมาเป็นมือสํารองให้เขาเวลาเขาหาที่นน้นไม่ได้เขากลับมาหาเรา ไม่อยากกลับมาเลยถ้าไปแล้วก็อยากกลับมาแล้วใ ห, ให้มันรู้แล้วรู้รอดไปว่านะคนมีคนเดียวเลยในโลกนี้ผู้ชายมีเป็นเป็นล้านเนี่ยคนนี้คนเดียวมันมั น, ม, นมันไม่เป็นปัญหาหรอกถ้ามันไม่มีก็หาใหม่ได้เยอะแยะไปดีกว่าคนนี้ก็มีเยอะแยะไป แย่กว่าคนนี้ก็มีเท่ากับคนนี้ก็มีคนเรามันมีอยู่สามแบบเนี่ยดีกว่าบ้างเท่ากันบ้างแย่กว่าบ้างถ้าทางที่ดีก็มานั่งสมาธิดีกว่าแล้วจะได้ไม่ต้องมาทุกแบบนี้ซ้ำซากเพราะได้คนใหม่มาอีกเดี๋ยวมันก็เจอแบบเดิมอีกใหม่ๆก็รักกันเดี๋ยวอยู่ด้วยกันสักพักก็เบื่อแล้วเบื่อมันก็ตีจา ก, กันแล้ว ซืมาหัดนั่งสมาธิหาความสุงจากความสงบดีกว่าอันนี้ซื่อสัตว์ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามการที่เราระลึกรู้ได้ว่าเป็นกรรมที่เราทำมาเช่นเราเคยพูดไม่ดีกับมานดาโดยไม่มีเจตนาที่จะทำให้ท่านเสียใจแต่ด้วยความที่เป็นแม่ ก็อาจมีคิดมากน้อยใจบ้างจนมาวันหนึ่งมีคนอื่นมาพูดกับเราด้วยคำพูดนั้นทำให้เราเสียใจจนน้ำตาไหลตัวเราเองก็ระลึกได้ทันทีว่าคงเป็นผลกรรมอย่างที่เคยพูดแล้วทำให้แม่เสียใจตัวเราเองก็กราบขอขมาต่อดวงวิญญาณของแม่ขณะนั้นเลยอย่างนี้ถือว่าเป็นการลดกรรมทำให้กรรมที่กระทำนั้นหมดไปหรือเบาบางไปบ้างไหมเจ้าคะ เขากรรมเก่านี้ไปลถมันไม่ได้นะถ้าเราขอกรมมามันก็จะมันก็ว่าเราสำนึกผิดมันก็จะทำให้เราพยายามไม่กระทำซ้ำซากอีกโอกาสหน้าเราจะได้ไม่ไปพูดไปทำอะไรให้คนอื่นเขาเสียใจแต่กรรมเก่าที่ทำไปแล้วแล้วมันเราลบล้างไม่ได้แนละ้วต้องรอให้มันเกิดขึ้นต่อไปลูกเรามันอาจจะทำกับเราก็ได้เขาเรียกงกงกรรมกองเกวียน ทำอะไรกับแม่เดี๋ยวลูกมันก็จะกลับมาทำกับเรานี <laughs> คำถามต่อไปจากคุณยิ้มทำไมเวลานอนหลับตอนกลางคืนมักฝันเห็นญาติรวมทั้งคนที่รู้จักที่ล่วงลับไปแล้วบ่อยมากค่ะลูกเป็นมาตลอด เป็นสิบปีทั้งที่ลูกก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลถึงพวกท่านที่ล่วงลับไปแล้วแต่ก็มักฝันเห็นเขาเหล่านั้นจนกลายเป็นความเคยชินแล้วก็เป็นเวลานานตลอดหลายสิบปีลูกไม่รู้จะถามใครดีลูกขอกราบนมัส ก, การได้โปรดเมตตาให้คำตอบด้วยเถิดเจ้าคะ่ะมันเป็นปริศนาในใจลูกมาตลอดได้โปรดเมตตาลูกด้วยเจ้าคะ่ะมันเป็นความผูกพันในหัวใจเรา เราผูกพันกับใครเราก็มักจะคิดถึงเขาเวลานอนหลับเราก็ฝันถึงเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรฝันได้มันไม่มีโทษมีพิษ ม, มีภัยเลยดีเสิไงเราจะได้พบปะกับคนที่ตายอยู่เรื่อยๆแต่ไม่อาจไม่ใช่หมายความว่าเข้ามาหาเราหรืออะไรทำนองนั้นเพียงแต่ว่าเราฝันถึงเขาเราคิดถึงเขาถ้าไม่อยากจะฝันก็พยายามหัดใช้สติพุทธโธพุทธโธ เพกเจ็ให้หยุดคิดวเวลานอนหลับมันก็จะไม่ค่อยฝันคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามหลายปีที่ผ่านมาได้ฟังธรรมะก่อนนอนส่วนใหญ่จะเน้นฟังเรื่องการดูจิตการพ้นทุกข์หลังๆมาจะภาวนาทุกวันยังไงเราก็ต้องตายระลึกรู้แบบนี้มาสามสี่ปีแล้วจนเบื่อหน่ายความเป็นไปของผู้คนชีวิตคู่ เพื่อนๆ น, น้องๆมาบนให้ฟังต้องทนอยู่กันไปตัวผมโสดครับรู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่โสดมานานแล้วแต่ก็มีเหงาบ้างตอนนี้เริ่มไม่อยากออกไปจับกลุ่มกับเพื่อนเห็นเขาคุยกันเรื่องการพนันก็จะเบื่อปลีกตัวออกมากรณีอย่างนี้สิ่งที่ผมรู้สึกอยู่ตอนนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเปล่าครับ ถ้าขายบ้านก็แสดงว่าเราไม่สู้ไม่พยายามหรือเปล่าครับออไม่หรอกมันเป็นการเห็นออความไร้สาระของสิ่งต่างๆที่เราเคยเกี่ยวข้องด้วยนั่นเองว่ามันไม่ได้เป็นคุณประโยชน์กับจิตใจอย่างแท้จริงไม่ได้ให้ความสุขอย่างแท้จริงกับจิตใจให้ความทุกข์เสียมากกว่าการเบือหนายแบบนี้เขาเรียกนิพิธาเบื่อหนาทางโลก เพราะมีความเห็นคุณค่าของทางธรรมอยากไปอยู่กับทางธรรมมากกว่าเห็นความเห็นเห็นคุณประโยชน์ของของธรรมะของความสงบก็อยากขายบ้านได้ก็ขายไปเลยเพราะเวลาไปบวชก็ไม่เอาบ้านติดตัวไปไม่ได้ถ้าเราต้องการความสุขที่เกิดจากความสงบเนี้ยเราต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่เหมือนกับพระพุทธเจ้านะ พต่จเจ้าท่านทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอาอะไรติดตัวไปเลยแล้วก็ไปปฏิบัติหกปีท่านก็ได้ความสุขที่ถาวรความสุขที่แท้จริงนั้นอันนี้ไม่ถือว่าเป็นเรื่องมิจฉาทิฏฐิเป็นเรื่องสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามพ่อหนูผูกคอตายเมื่อปีห้าเจ็ด หนูกังวลมากไม่อยากให้พ่อเป็นทุกข์พอจะมีวิธีไหนแก้ได้บ้างคะ อ, อ๋อไม่ได้แล้วเรื่องของพ่อเขากรรมใครกรรมอันใครทํากรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นหนูควรจะกังวลกับตัวหนูมากกว่าอย่าไปทําตามพ่อเขาแล้วกันเดี๋ยวเวลาเกิดเสียอกเสียใจขึ้นมานึกถึงพ่อเลยค่าตัวตายเหมือนพ่อดีกว่า ต้องรู้ว่านี่เป็นการสร้างความทุกข์ไม่ได้เป็นการดับความทุกข์นะคำถามต่อไปจากคุณอ้ําการสวดมนต์ถือว่าเป็นการภาวนาด้วยใช่ไหมคะและการสวดมนต์ออกเสียงกับสวดมนต์ในใจผลต่างกันไหมเจ้าคะการสวดมนต์ก็เป็นการฝึกสติเรียกว่าธรรมานุสติพระบทสวดมนต์ก็เป็นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้า การสวดก็สวดได้สองอย่างสวดในใจกับสวดออกเสียงก็ขึ้นอยู่ว่าเราอยู่ในระดับไหนถ้าเรายังสวดในใจไม่ได้ก็ต้องสวดออกเสียงไปก่อนแต่ผลนี้สวดในใจมันจะได้ผลดีกว่าสวดออกเสียงสวดออกเสียงหนึ่งมันรบกวนชาวบ้านเขาสองทำเหนื่อยเร็วถ้าสวดในใจนี้มันไม่รบกวนใครแล้วก็มันไม่ค่อยเหนื่อยแล้วมันก็ ทำให้สงบมากกว่าการสวดด้วยด้วยปากด้วยวาจาแต่คนบางคนนี้ยังสวดในใจไม่เป็นก็ต้องอาศัยการสวดทางวาจาไปก่อนต่อไปพอจําบทสวดได้แล้วก็สวดไปภายในใจได้เพียงนึกถึงก็สวดไปในใจได้ ถ้าดู ก, กว่าเพราะว่าถ้าสวดในใจนี่สวดได้ทุกแห่งทุกคนไปอยู่ที่ไหนเวลาไหนอยู่ในท่าไหนอยากจะทําใจให้ไม่วุ่นวายก็สวดไปภายในใจได้แต่ถ้าสวดออกเสียงคนอื่นเขาได้ยินเขาจะหาว่าไม่เหมาะสมเขาก็จะว่าเราไม่ทําไม่ถูกทําไม่ดีงั้นก็ออกเสียงนี้มันต้องระมัดระวังว่าคนอื่นเขาเห็นเราหรือเปล่าเราอยู่ในที่เหมาะสมหรือเปล่า แต่ถ้าเราสวดในใจนี่อยู่ในซุวมก็สวดได้ไม่มีใครรู้เวลาเสียใจเวลาโกรธใครหลบเข้าไปนั่งในซุวมแล้วก็สวดบนไปภายในใจเดี๋ยวเดียวก็หายเดี๋ยวก็หายเสียใจคำถามต่อไปจากคุณอูชุพระอาจารย์คาหนูมีความรู้สึก ไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่ยินดีกับคำสรรเสริญมาระยะหนึ่งแล้วค่ะแต่คนรอบข้างเขากลับไม่เข้าใจเขาหาว่าเราขี้เกียจไม่ทำมาหากินแบบนี้ต้องจัดการกับตัวเองอย่างไรดีเจ้าคะก็เรายังไปหวั่นไหวกับคำพูดของเขาอยู่ก็แสดงว่าเรายังไม่ได้เป็นอย่างที่เราพูดจริง ถ้าเราเป็นอย่างที่เราพูดจริงเราก็จะเฉยไม่สนใจใครก็จะว่าไงเขาจะพูดยไงก็เรื่องของเขาแสดงว่ามันยังไม่ได้เป็นการหยุดความอยากจริงๆถ้าหยุดความอยากจริงๆแล้วใครจะว่าอะไรก็ก็ไม่มีความอยากที่จะให้เขาไม่ว่าเขาจะว่าอะไรก็ปล่อยเขาว่าไปเรื่องของเขาการว่าเป็นเรื่องของเขาการทำอะไรมันเรื่องของเรา ถ้าเราทําอะไรแล้วเรามีความสุขใครก็จะว่าดีไม่ดี ก, ก็เรื่องก็ไม่เป็นปัญหาเลยน ไ, ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปอธิบายให้เสียเวลาเพราะมันพูดกันคนละเรื่องนะความสุขภายในกับความสุขภายนอกนี่มันไม่เหมือนกันคนที่ไม่เคยเห็นความสุขภายในก็จะไม่เข้าใจคําถามต่อไปจากคุณเจบี ถ้าเราไม่มีเงินจะพาน้องหมาไปรักษาเมื่อเขาป่วยและมันทำให้เขาต้องเสียเราจะมีบาปในข้อปนานาติบาหรือไม่เจ้าคะอ๋อไม่มีหรอกเราไม่เลยไปทำให้เขาตายเขาตายโดยธรรมชาติของเขา <c oughs> คำถามต่อไปจากคุณนุ้ยการบวชแทนคุณพ่อแม่นั้น เพียงถือศีลธรรมดาไม่ได้บวชถึงขั้นเป็นพระอริยสงฆ์ไม่ทราบพ่อแม่จะได้รับอ น, นิสงฆ์มากไหมเจ้าคะการบวชชีพ่อแม่จะได้อานิสงฆ์มากไหมคะความจริงไม่ได้รอกอ น, นิสง์จะเกิดก็ต่อเมื่อพ่อแม่ติดตามเราไปด้วยเช่นเราไปบวชพระพ่อแม่ก็ต้องไปหาเราที่วัด พอไปหาเราที่วัดก็จะได้มีโอกาสได้ทําบุญได้ฟังเทศน์ฟังธรรมได้รักษาศีลนอันนั้นนะถึงจะได้ประโยชน์ถ้าไปบวชเฉยๆแล้วพ่อแม่ก็ไม่ไปหาไม่ไปสนใจพ่อแม่ก็ยังเคยทําอะไรอยู่ก็ทําแบบเดิมอยู่อันนี้ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรการบวชนี้เป็นเพียงเป็นการกรตุ้นเป็นการสร้างเหตุให้พ่อแม่ได้มีโอกาสเข้าวัดเท่านั้นเองเพราะโดยธรรมชาติพ่อแม่จะห่วงลูกน พอลูกบวชก็คิดถึงลูกก็ต้องไปเยี่ยมลูกก็ต้องไปทำบุญเวลาไปวดัดจะไปเยี่ยมเฉยๆก็มันก็ไม่ใช่ธรรมเนียมธรรมเนียมชาวพระชาวพุทธเราเวลาไปวดัดก็ต้องไปทำบุญกันก็เลยมีเหตุให้ไปทำบุญถ้าลูกไม่บวชก็ไม่มีเหตุเพราะจะยุ่งกับการทำมาหากินเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยไม่มีเวลาจะไปวัดกัน แต่พอลูกไปบวชไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายก็จะคิดถึงลูกก็จะไปวัดไปวัดก็จะได้ไปทำบุญทำบุญแล้วก็จะได้ฟังพระเทศพระสอนพอฟังแล้วก็จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็จะเอาไปปฏิบัติต่อก็จะได้บุญนี่คือการได้บุญของพ่อแม่จากการบวชของลูกไม่ใช่ได้โดยอัตโนมัติพอลูกบวชปับ๊บ พ่อแม่จะได้บุญตามลูกแม่บุญของลูกพ่อพ่อแม่ไม่ได้รับหรอกบุญของลูกก็เป็นของลูกเท่านั้นเองถ้าพ่อแม่อยากจะได้บุญเหมือนลูกก็ต้องไปบวชตามลูกคำถามต่อไปจากคุณกำพลถ้าเราเบื่อหรือขาดกำลังใจในการทำงานอยากให้พระอาจารย์แนะนำแนวคิดที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดนั้นครับหยุดความคิดเสียคุณคิดผิดละ ท้อแล้วเพราะว่าเพราะว่าเวลาได้ไม่ได้อะไรดังใจหมายก็เลยเกิดความท้อแท้ก็หยุดความคิดนี้เสียหยุดความอยากเสียถ้าหยุดความอยากได้สิ่งนั้นแล้วมันก็จะหายท้อดังนั้นต้องพุทโธพุทโธเวลาเกิดความท้อแท้ใจต้องมาหัดหยุดความคิดที่จะทําให้เราท้อแท้ใจด้วยการพุทโธพุทโธไปพอหยุดความคิดเหล่านั้นได้ความท้อก็หายไป ใจก็จะกลับมาเป็นปกติคำถามต่อไปจากคุณสุภาผู้สั่งฆ่ากับผู้ฆ่าใครบาปกว่ากันเจ้าคะเขว่าเท่ากันฆ่าเองทำเองก็ดีสั่งให้เหลือนทําก็ดีที่ว่าบาปเหมือนกันคําถามต่อไปจากคุณอ้อยขอความเมตตาอธิบายประโยคที่ว่าให้ตัดอวิชชาด้วยเจ้าคะ่ะ อวิชชาก็คือความโง่ไงความไม่มีวิชาความรู้ไม่มีธรรมะก็ตัดด้วยการศึกษาธรรมนั่นเองเหมือนการเราส่งลูกไปโรงเรียนพาอมันโง่พอไปเรียนหนังสือมันจบมันก็ฉลาดมันก็มันก็ตัดอวิชชาความโง่ไปได้ ทีนี้วิชาของทางธรรมมันต้องไปบวชนะต้องหรือไม่บวชก็ต้องไปศึกษาไปปฏิบัติเช่นวันนี้ญาติโยมกำลั ง, งมาดับอวิชาด้วยการมาฟังเทศฟังธรรม ฟังแล้วก็จะหูตาสว่างเข้าใจอะไรหลายอย่างที่ไม่เข้าใจมาก่อนเรื่องสติเรื่องสมาธิก็รู้ชัดเจนว่าเป็นอย่างไรสมาที่มีกี่แบบก็รู้แล้วถ้าไม่ได้มาก็ยังโง่อยู่วันนี้มาก็ได้เรียนรู้เรือดับวิชาก็ต้ดับด้วยธรรมะ้วยการเข้าหาธรรมะแสงสว่างแห่งธรรมคำถามต่อไปจากคุณซอ การเกิดเป็นหญิงกับชายต่างกันอย่างไรเจ้าคะบางคนบอกว่าเกิดเป็นชายนั้นมีบุญมากกว่าเกิดเป็นหญิงมีบุญน้อยกว่าใช่หรือไม่เจ้าคะไม่ใช่หรอกเกิดเป็นหญิงเกิดเป็นชายก็มีลูกไม่ได้ <laughs> <laughs> บุญมากบุญมากบุญน้อยไม่ได้อยู่ที่ร่างกายอยู่ที่ใจ ใครใจทำบุญมากไม่ว่าเป็นหญิงเป็นชายก็ได้บุญมากเป็นผู้ชายไม่ทำบุญก็ไม่ได้บุญเพราะมันไม่ได้อยู่ที่บุญหรือบุญมากบุญน้อยเพราะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายบุญมากบุญน้อยอยู่ที่ทำมากทำน้อยถ้าใครทำบุญมากไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายก็ได้บุญมากใครทำบุญน้อยไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายก็ได้บุญน้อยหมดแล้วใช่ไหม ทีนี้บนขั้นสูงสุดนี้ผู้หญิงอาจจะเข้าถึงยากกว่าผู้ชายเพราะว่าผู้ชายนี้บวชได้แต่ผู้หญิงนี้สมัยนี้ไม่มีบวชแบบพระแต่ก็บวชแบบฉีได้มันก็ยังไม่ไม่ต่างกันมากอันนี้ก็เป็นเพราะว่าผู้หญิงไม่ชอบบวชเอง ก็เลยไม่มีไม่มีกลุ่มของนักบวชผู้หญิงให้ผู้หญิงไปบวช ด, ด้วยค่อยมีอยู่พักหนึ่งสมัยพระพุทธเจ้าเนี่เริ่มตั้งภิกษุณีแล้วก็มีการบวชกันมาอย่างต่อเนื่องอยู่ประมาณหนึ่งพันปีพอหลังจากหนึ่งพันปีผู้หญิงไม่บวชกันละก็เลยผู้หญิงใหม่ที่จะมาบวชก็ไม่มีที่บวชแล้วท่านั้นเองมันเป็นเรื่องของผู้หญิงเองไม่ไม่ยอมรักษาภิกษุณีไว้ ก็เลยภิกษุณีก็เลยหมดไปต่อไปภิกษุสงฆ์ก็บดเนี่ยสมัยนี้คนมาบวชน้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อยๆบวชก็สั้นลงไปเรื่อยๆเมื่อก่อนนี้บวชพันศาหนึ่งเดี๋ยวนี้ลา ง, งานไม่ได้ลาได้แค่สิบห้าวันหรือบางทีบางคนบวชเช้าศึกเย็นก็มีบวชหน้าศพอย่างนี้ต่อไปก็จะไม่มีใครบวช พอไม่มีพระหลงเหลืออยู่ไม่มีภิกษุหลงเหลืออยู่ใครจะมาบวชใหม่ก็บวชไม่ได้แล้วเพราะไม่มีใครบวชให้ได้เนี่ยไม่มีใครสอนเนี่ยใครจะมาสอนให้เป็นพระได้ถ้าไม่มีพระเป็นคนสอนใช่ไหอถ้าเราเป็นโยม ม, มาสอนกันเองมันสอนกันได้ที่ไหนใช่ไหมมันก็ได้มันก็เลยต้องหมดไปเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าลังเกียจเริ่มอะไรทํานองนี้ เพียงแต่ว่าการบวชนี้มันเป็นเรื่องยากมันต้องอมันง่ายกว่าสำหรับผู้ชายเพราะมันทาร่หดอดทนกว่าเพราะต้องอยู่แบบทุกข์ยากลำบากถึงจะได้บุญถึงจะได้ทำผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแอกว่าจะให้มาอยู่แบบผู้ชายนี้มันอยู่ยากกว่าต้องไปอยู่ในป่าคนเดียวนี้ผู้หญิงไปอยู่ในป่าคนเดียวไม่ได้แล้วเดี๋ยวก็ถูกปั้มทั้งนั้นนะใช่ไหมก็เลย บ, บุญระดับสูงสำหรับผู้หญิงก็เลยทํำยากกว่า mm hmm. แต่ก็ไม่สุดวิสัยสมัยนี้ก็ยังมีผู้หญิงบรรลุเป็นพระหันได้ก็มีแต่มีน้อยมากเพราะเป็นผู้หญิงที่จะบรรลุนี้ก็ต้องเป็นมีนิสัยคล้ายๆผู้ชายค่อนข้างที่จะทราร่หดอดทนไม่กลัวไม่กวาดกลัวอะไรกับภัยต่างๆอันนี้ก็ อาจจะแตกต่างกันตรงนี้ระหว่างผู้หญิงผู้ชายแต่ถ้าบุญทั่วทั่วไปนี่ก็ถ้าเป็นค า, า, ารวะก็ทำได้เท่ากันทำบุญได้เหมือนกันรักษาศีลได้เหมือนกันนั่งสมาธิได้เหมือนกันฟังเทศฟังธรรมได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าจะไปบวชนี่มันทาทำได้เหมือนกั น, แ ต, แ, ต น, น, น, กนแต่ยากกว่ากันเพราะผู้หญิงนี่มี ม, มีมีข้อจำกัดไม่เหมือนผู้ชาย มีคำถามใหม่หมมีครับจากคุณนัฐธกิจในวันโกนวันพระจะมีผู้ล่วงลับไปแล้วเข้ามารับส่วนบุญกุศลที่วัดผู้ที่เป็นญาติและไม่ใช่ญาติก็ดีเราควรอุทิศหรือแผ่บุญกุศลให้เขาใช่ไหมครับเห็นว่าเขาจะมากันเยอะมากบางผู้ก็ไม่ได้รับบุญกุศลจากญาติเลยที่เข้ามาก็เพราะเขารู้ว่าวันพระนี่เป็นคนวันที่คนไปทาบุญกันเนี่ย เหมือขอทานเนะี่ยถ้าเขารู้ว่าวันไหนมีแจกทานเขาก็จะมากัน่ะวันไหนไม่มีแจกทานเขาก็ไม่มาเอ่เพร น, นพวกดวงวิญญาณก็เหมือนกันเพราะรู้ว่าวันวันพระนี้คนจะเข้าวัดกันเยอะทําบุญกันเยอะแะเวลาเราอุทิศบุญเราก็อุทิศให้กับสัรพสัตไปก็ได้อุทิศให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องและสรัรพสัตว์ทั้งหลายไปก็จะได้แบ่งกันคนละนิดคนละหน่อย คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนั่งสมาธิโดยบริกรรมพุทโธพุทโธแล้วจะรู้สึกตึงขมับเปลี่ยนมาเป็นดูลมได้ไหมเจ้าคะได้ได้เลือกได้ของนี้อันไหนถูกกับเราไม่ถูกกับเราเหมือนอาหารที่เรากินเน่ถ้ากินข้าวผัดไม่อร่อยก็ลองกินกว๋วยเตี๋วดูก็ได้หม <laughs> ดนั่นแหละโอเค หมดแล้วก็เอาแท่นี้แหละ ว, วันนี้คำถามก็มากพอสมควรก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ